ท่านไม่เจ็บทข้ได้ป่วยนี้ท่านอาจารย์พระครูนี่บนอนตมภาพมาทุกครั้งถือว่ามาถวายงานครูบาอาจารย์แล้วมาเมื่ อ, อไหร่อัตมภาพก็รู้สึกชื่นอกชื่นใจเพราะท่านเจ้าวาดนั้นท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ทั้งทางโลกทางธรรมทางธรรมนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าท่านอยู่มากว่าครึ่งชีวิตแล้วละ ความมั่นคงในพระธรรมวินัยของท่านนั้นไม่เป็นที่สงสัยแล้วทางโลกก็คือความที่ท่านเป็นพระมหาเถระาที่มีปรีชาแหลมคมในเรื่องศิลปะฉะนั้นเมื่อได้รับพระบรมราชองการโปรดเกล้าเป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ท่านจึงได้สมณศักดิ์ที่สอดคล้องตรงกับความรู้ความสามารถเป็นอย่างยิ่งคือพระครูโสพศิลปาคมแปลว่า พระสงฆ์ผู้มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในศิลปะคุณโยมมองดูวิหารหลังนี้อตาตมาภาพนี่อยู่เชิยงรายมาตั้งแต่อายุสิบหกนะอยู่วัดพระสิงห์นี่หกปีเกือบเจ็ดปีก็เห็นวัดิ่งเมืองตั้งแต่ยังไม่ค่อยมีอะไรจนมาถึงตอนนี้เนี่ยเนื้อถ่ายละครไปแล้วหลายเรื่องนะอนตาตมาภาพพาแขกบ้านแขกเมืองมาชมแล้วหลายครั้ง ใครมาก็ติดอกติดใจเพราะตอนนี้เป็นวิหารหลวงลายคําไปแล้วนะเพราะฉะนั้นวัดใกล้เรือนเคียงในเผอหน่อยไม่ได้เดี๋ยววัดมิ่งเมืองเกินนะเกิ น, น, เกนตาเพราะนอาจารย์พระครูสุดยอดทางศิละปะนะคนยมนะดูทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านอาจารย์พระครูจับทํานั้นมีความหมายมีความงามและไม่ใช่ความงามแบบที่ใครนึกจะทําก็ทํานะทุกอย่างเป็นความงามที่อธิบายได้ เรียกว่าทำอย่างผู้รู้ทําอย่างครูบาอาจารย์หรืออย่างพระอุปคุตที่อยู่เบื้องหลังของอัรรมภาพนี้ธรรมภาพเห็นแล้วก็ประทับใจไปเห็นมาหลายที่หลายแห่งก็ไม่สวยเท่าเห็นที่นี่เพราะฉะนั้นต่อไปเวลาไปเทศที่ไหนนะ้ญาติโยมมาเชียงราไรตมาต้องบอกว่าอย่าลืมนะมากราบพระอุปคุตวัดเมิ่งเมืองด้วยนี่ เพราะฉะนั้นสิ่งดีๆงามๆเหล่านี้ไหลามาเทมาเพราะพระเดชพระคุณท่านเจ้าว่าท่านเป็นพระนักพัฒนาถึงอัตมาภาพไม่พูดคุณโยมทั้งหลายเข้ามาถึงวัดมาถึงอารามแห่งนี้ก็คงจะเห็นด้วยกันทุกท่านทุกคนว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานั้นเป็นพระนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องศิศลปะ ขณะเดียวกันก็เป็นพระมหาเถราที่มีศิษยานุศิษย์เคารพนับถือกว้างขวางเพราะฉะนั้นเวลามาที่วัดนี้ต่มมาภาพก็รู้สึกยินดีปรีาดาทุกครั้งไปเพราะมาเจอครูบาอาจารย์ที่ดีมาอยู่ในภูมิสถานที่น่ารื่นรมพร้อมกันนั้นก็มาอยู่ท่ามกลางศิละปะวัฒนธรรมตามาภาพเองเป็นคนช่งรายเวลามาถึงปุ๊บได้ยินเสียงซอเสียงสะล้อซอซึง นะดูฟอนดูรำนี่แหมมันเหมือนระลึกชาติได้ทุกทีนะแล้วนะนะเวลาอยู่กรุงเทพมันก็นึกถึงแต่พระนิพพานนะมาทางนี้บอกนิพพานเอาไว้ก่อน <c oughs> ฟังสลอะะซอซึงกันชื่อนอกชื่นใจนะเนะี่ยดูสิเพราะฉะนั้นเมืองเหนือเชียงรายเรามานะใครมาเนี่ยรักใครมาก็หลงเพราะอะไรศิละปะวัฒนธรรมเนี่ยชั้นหนึ่งมีความงดงามมีความเ ช, ช่อมอย แล้วคุณโยมสังเกตนะเวลาสตรีชาวเหนือฟ้อนก็ดีแสดงออกก็ดีเนี่ยจะมีความงามมีความช้าในความงามในความเชื่องช้านั้นมีปริศนาธรรมคือแสดงให้เห็นว่าบ้านเมืองของเรานั้นเป็นบ้านเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองคนไม่ต้องเร่งคนไม่ต้องรีบทำอะไรสบายๆก็มีอยู่มีกินเพราะฉะนั้นมันก็แสดงออกมาในทางศิลปะวัฒนธรรมเวลาฟ้อนก็สบายๆนะ เวลาขับร้องก็คือซอเนี่ยก็สบายบายทุกอย่างเป็นเรื่องสบายๆเพราะว่าบ้านเมืองของเรานั้นเป็นบ้านดีเมืองดีเรียกว่าแผ่นดินก็ดีพระพุทธศาสนาก็ดีศิลปะวัฒนธรรมก็ดีสำคัญที่สุดคือคนของเรานั้นดีนี่คือสิ่งดีๆทั้งหลายที่มารวมกันอยู่ในจังหวัดเชียงรายแล้วก็เดชพระคุณท่านพระอาจารย์ถ้าได้นาสิ่งดีๆเหล่านี้ มาให้เราได้ดูด้วยการรื้อฟื้นศิลปะวัฒนธรรมให้มาพร้อมกับงานบญใหญ่ที่เรียกว่าจุละกระถิน่นจุละกระถิ่นนี้ไม่ใช่ว่าจะหาดูหาชมกันได้ง่ายๆนะคุณยศนะก่อนจะมานี่ตั้งแต่ภาพไปพลิกพจนานุกรมดูราช บ, บัณฑิตท่านบอกว่าจุละกระถิ่นนั้นเป็นกระถิ่นที่ทาได้ยากแล้วในหนึ่งปีก็ทาได้แค่หนึ่งครั้งและในทุกวัด ใช่ว่าจะทำจุดละกระถินได้เสมอไปเพราะจุนละกระถินแปลว่ากระถินเล็กๆตรงกันข้ามกับมหากระถินคือกระถินใหญ่ๆกระถินใหญ่ๆนั้นบางทีเราก็เรียกว่ามหากระถินบางทีก็เรียกว่ากระถินสามัคคีวันเวลาในการทำนั้นก็มากมายอย่างน้อยก็หนึ่งเดือนหลังออกพรรษาแต่ว่าจุดละกระถินนั้น ถึงเวลาจะเปิดกว้างให้หนึ่งเดือนหลังพรรษาแต่เวลาทำจริงๆนะจุลลกรถินต้องทำในหนึ่งวันตั้งแต่เก็บป้ายปั่นป้ายพอมาเป็นผืนผ้าจากนั้นก็มาตัดมาแต่งมาขึงมาทำให้เป็นจีวรแล้วก็ถวายแก่พระสงฆ์กิจกรรมทั้งหมดที่นับเนื่องด้วยจุลลกรถินต้องเสร็จภายในหนึ่งวันเพราะฉะนั้นใครไม่มีบุญญาที่การทำไม่ได้ง่ายๆนะ เพราะถ้าเกิดทำแปะทำแปะแล้วมันเลยหนึ่งวันนั้นมันยุ่งเลยนะหลุดเทศากาลกรถิ่นนะมันจะไม่ใช่จุดละกรถิ่นอาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเริ่มต้นแต่เช้าตรู่ปั๊บมันก็เสร็จเสร็จไปในหนึ่งวันนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกทางทุกคนมาร่วมงานจุนละกรถินทุกคนจะมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมทุกคนจะได้ทำโน่นทนํานี่คนละอย่างสองอย่างในสมัยโบราณท่านทั้ ง, ง, งหลายครั้งหนึ่งมีการทําจีวรให้กับ พระอนุรุทธเถระเจ้าซึ่งอาจารย์มาพเรียกว่าเป็นต้นแบบของจุลลกระถิ่นในการทําจีวรถวายพระอนุรุทธเถระเจ้าคราวนั้นน่ะมีบุคคลสําคัญที่สุดมาร่วมด้วยนั่นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราไม่ใช่มาร่วมเปล่าๆนะคุณโยมนะพระองค์ท่านมาร่วมเนี่ยพรงทรงนั่งเป็นประธานในการสนเข็มีเดียวนะคิดดูสิถ้าจุลลกระถิ่นไม่สําคัญนะ พระพุทธเจ้านี้จะมาร้อยได้เข้าไปในเข็มได้ยังไงนี่พระองค์ท่านทรงด้วยพระองค์เองเลยนะหยิบเข็มขึ้นมาร้อยได้เข้าไปในบ่วงเข็มในรูเข็มจากนั้นยื่นให้พระอครส า, าวกพระสารีบดช่วยกันเย็บจีวรถวายพระอนุรุตสิ่งที่น่าคิดก็คือเอพระสาวกจะทําจีวรห่มหนึ่งผืนแต่ทําไมคนอย่างพระพุทธเจ้าต้องลงมือเองคุณเยวมว่ามันน่าคิดไหม น่าคิดมากอตาตมานินสงสัยเสมอว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้านี่ทรงให้ความสำคัญเหลือเกินกับการเย็บจีวรหน่งเผินเพราะว่าสาระสำคัญของงานกระถินไม่ได้อยู่ที่ผ้ากระถินแต่อยู่ที่ความสามคัคคีความสามัคคีของพระความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนพระพุทธองค์นั้นทรงวางหลักเอาไว้ว่าวัดที่จะรับกรถินได้ยางน้อยที่สุด ต้องมีพระสงฆ์จําพรรษาห้ารูปขึ้นไปแล้วในการที่มีพระสงฆ์จำพรรษาห้ารูปขึ้นไปนั้นพอออกพรรษาญาติโยมจะถวายกรถินก็จํากัดเขตว่าหลังออกพรรษาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นและในแต่ละวัดก็รับกรถินได้เพียงครั้งเดียวต้องเป็นไปตามกรอบตามเกณฑ์ที่ทรงกําหนดเอาไว้ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงให้ความสําคัญเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดพระสงฆ์ไม่สามัคคีกันนะ เวลาโ ย, ยมมาภาดกรถินมาถวายตกลงไม่ได้ว่าจะให้ใครนี่เรื่องใหญ่นะแล้วถ้าเกิดญาติโยมไม่สามัคคีกันหลายวัดนะคุณโยมนั้นไม่ได้รับกรถินนะปีนี้เนี่ยพอออกพรรษาปุ๊บสัมนัก ง, งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งไปทางสื่อมวลชนนะมีวัดจํานวนมากในประเทศไทยไม่มีผู้ทอดกรถินบางทีไม่ใช่เพราะว่าไม่มีพระพระนามีแต่บางทีพระไม่สามัคคีกัน บางทีไม่ใช่ไ ม, ไม่ไม่มีโยมโยมนะมีแต่เพราะโยมไม่สามัคคีกันพระไม่สามัคคีกันโยมเอากรถินมาน้อมถวายพระไม่รู้จะให้ใครตกลงเลยไม่ต้องรับมันเห็นไหมถ้าโยมไม่สามัคคีกันถึงแม้จะมี จ, ะะจิตุปัจัยทยธรรมอยากถวายแต่ว่าก็ไม่รู้จะยกใครขึ้นมาเป็นผู้นำโดยเหตุ น, นี้สาระสําคัญของงานกรถินก็คือพระต้องสามัคคีกันและโยมต้องสามัคคีกัน ความสามัคคีนั้นเป็นสาระสําคัญของงานกรถินเวลาเราไปทอดกรถินเราจึงได้ยินคําหนึ่งว่ากรถินสามคัคคีเห็นไหมถ้าไม่สามัคคีกรถินจะเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นเวลาไปทำบุญทอดกรถินต้องสามัคคีกันเสมอไปเมื่อวัดสามัคคีกันโยมสามัคคีกันพระสามัคคีกันโยมสามัคคีกันวัดวาอารามและพุทธศาสนาก็เจเริญรุ่งเรืองเหมือนที่ผู้รู้ท่านเขียนเป็นกวีนิพนธ์ว่า วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยวัดช่วยบ้านบ้านช่วยวัดพลัดกันไปถ้าขัดกันก็บันไลทั้งสองทางนี่แหละสาระสำคัญของงานกระถินอยู่ที่ความส ม, มัคคีและสิ่งหนึ่งซึ่งจะพิสูจน์ความส ม, มัครคีของคณะสงฆ์ก็ตอนที่โยมถวายกะถินเพราะฉะนั้นคุณโยมสังเกตให้ดีนะคืนนี้มีการถวายผ้ากถินนสังเกตให้ดี พอคุณโยมน้อมผ้ากถินที่ถักทอเรียบร้อยนะมาถวายพระสงฆ์คุณโยมเชื่อไหมว่าไม่ใช่ว่าพอยกมาประเคนแล้วเจ้าอาวาสรับได้เลยนะยังพอคุณโยมยกผ้ากถินนั้นมาวางไว้หน้าพระเดดพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสแล้วพระรูปที่สองถ่าจะตั้งพัดขึ้นมาเรียกว่าทาหน้าที่อุปโลก อุปโลกนั้นเป็นภาษาธรรมะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเรียกว่าตั้งยัตติท่านจะตั้งพัดแล้วก็ตั้งยัตติว่าผ้ากฐถินนทธานกับทั้งผ้าอานิสงสบริวารนี้เป็นของญาติโยมคนนั้นคนนี้แสดงความจำนงจะทอดถวายพระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตรมาศณนะวิหารวัดมิ่งเมืองแห่งนี้และท่านก็จะพูดต่อไปว่า ก็แล้ผ้ากรถิเนทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุดเรื่อนลอยมาโดยนภากาศจะได้จําเพาะเจ้าจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าผ้ากระถินนี้เป็นของที่ได้โดยชอบแก่พระภิกษุผู้จําพรรษาท้วนไตรมาสนี่พระภิกษุรูปที่หนึ่งท่านก็จะทําหน้าที่ตั้งยติอย่างนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าหนึ่งใครเป็นเจ้ า, าผ้ภาผ้ากรถินปีนี้ สองเพื่อแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องของผ้ากฐถินว่าเลื่อนลอยมาโดยนภาากาศเป็นของบริสุทธิ์ที่ไม่เจาะจงถวายพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระภิกษุรูปที่สองตั้งยติอย่างนี้แล้วต่อมาพระภิกษุรูปที่สามนั้นก็จะตั้งพัดอุปโลกหรือตั้งยติเรียกว่าขอประชามติจากคณะสงฆ์พระรูปที่สองนั้นก็จะขอประชามติจากคณะสงฆ์ว่าผ้ากถินนทานผืนนี้ ญาติโยมคนนั้นคนนี้เป็นผู้มีจิตสาน้อมนํามาถวายก็แล่สงพิจารณาแล้วเห็นสมควรมอบให้แก่พระรูปนั้นพระรูปนี้แล้วแต่ที่สงจะตกลงกันก็แลถ้าสงรูปใดไม่เห็นพ้องว่าเราควรจะมอบกรถินให้กับพระภิกษุรูปนั้นรูปนี้แลแต่ทีท่สงจะตกวงขึ้นกน็แล่กลาสงระหว่า ง, ง็รงระหว่างนี้ท่านจะหยุดสักระยะหนึให้กับพรว่าจะมีใครูปนั้นรูปนี้แลแต่ที่สงจะตกลงกันะ ถ้าเกิดมีการทักท้วงขึ้นมาแสดงว่าพระไม่สามัคคีกันเห็นไหมถ้าไม่มีทักท้วงแสดงว่าคุยกันรอบนอกเรียบร้อยแล้วล่ะสามัคคีกันพอเงียปุ๊บก็แสดงว่าพระสงฆ์เห็นด้วยว่าจะมอบผ้ากรถินผืนนี้ให้กับพระภิกษุรูปใดท่านก็จะตั้งยติต่อเป็นอันว่าผ้ากรถิ่นทานทผืนนี้สงพิจารณาแล้วเห็นสมควรมอบแก่พระภิกษุรูปนี้เมื่อสงฆ์ทั้งปวงมีสังขามติเห็นพร้อมต้องกันแล้ว ขอให้ส่งทั้งปวงให้สัทธาสัญญาสาทุกการขึ้นให้พร้อมกันเทินพระสงฆ์ก็จะยกมือสาธุเห็นไหมทีนี้แหละเป็นการประกาศความชอบธรรมภาผ้ากถิ่นจะตกแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในวัดนั้นญาติโยมก็จะน้อมผ้ากถิ่นนี้ซึ่งคณะสงฆ์ประกาศแล้วนะว่าเป็นประชามติของสงฆ์ที่จะมอบให้แก่พระรูปนี้ น้อมเข้าไปประเคนพระสงฆ์อาการที่น้อมผ้าเข้าไปประเคนหรืออาการที่น้อมน้อมผ้าไปวางตรงหน้าพระสงฆ์่ะเรียกว่าทอดผ้านั้นเป็นผ้าจีวรธรรมดาแต่ถวายแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาทุ่นไตรมาสเราจึงเรียกว่าผ้ากรถิ่นผ้าจีวรจึงเปลี่ยนชื่อเป็นผ้ากรถินหรือจริงๆเนี่ยคำว่าผ้ากรถินเนี่ยครอบคลุมผ้าสามผ้านะผ้าจีวรผ้าสบงแล้วก็ผ้าสังคติผืนใดผืนหนึ่งก็ถือว่าเป็นผ้ากรถินได้ทั้งนั้นแหละ พอโยมน้อมห้า้าไปทอดถวายเรียกว่าประเคนก็ได้นะรพระสงฆ์ท่านก็จะรับองค์ครองกระถินก็จะนำห้ากระถินที่ยยมถวายนั้นปลีกตัวลงมาห่มห่มสักครู่หนึ่งเรียบร้อยแล้วท่านก็จะกลับขึ้นมาพระสงฆ์สองรูปจะเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์สวดตั้งยติเพื่อให้สงทั้งพวงนั้นยินยอมพร้อมใจกันเมื่อบัดนี้พระภิกษุรูปนี้เป็นผู้ได้ไดครองกระถินโดยชอบธรรมแล้ว ส่วนตั้งยัติเสร็จแล้วส่งทั้งปวงก็ยกมือโมทนาสาธุพร้อมกันทั้งวิหารอันนี้ก็เรียกว่าพระสงฆ์ทั้งปวงได้กรานกรถินหรืออนุโมทนากรถินพิธีถวายกรถินเป็นอันเสร็จสิ้นลงตรงนี้จากนั้นก็พระสงฆ์ทั้งปวงก็อนุโมทนาแต่ก่อนที่จะอนุโมทนาญาติโ ย, ยมก็ถวายบริวารกรถินที่เตรียมมาทั้งหมดจตุปัจจัยทั้งหลายก็น้อมประเขนประเขนจตุปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงแล้ว พระพิสูภูผู้เป็นองคครองกรถิ่นในปีนั้นก็จะเป็นตัวแทนสงกล่าวอนุโมทนาญาติโยมกวรวดน้ำพระพรเป็นเสร็จพิธีเห็นไม่ว่าขั้นตอนของงานกรถิ่นนั้นสาระสําคัญอยู่ที่ความสามัคคีเบื้องต้นสงต้องสามัคคีกันจำพรรษาท้วนไตรมาสประการต่อมาพุทธบริษฐ์ญาติโยมต้องสมัครสมานสามัคคีกันรวบรวมจตุปัจเจยไทยธรรมสแสวงหาผ้าจีวรมาทอดถวาย เมื่อ น, น้อมผ้านั้นมาวางทอดอยู่หน้าพระสงฆ์ทั้งปวงแล้วสงฆ์ทั้งปวงก็ต้องตั้งยติขอประชามติขอสังฆามติว่าสงฆ์ทั้งวัดเห็นด้วยไหมกับการที่เราจะถวายผ้ากรถินพื้นนี้แก่พระภิกษุรูปนั้นรูปนี้ถ้าสงฆ์ทั้งปวงเห็นด้วยกระบวนการที่เรียกกันว่าการกรานกรถินก็เกิดขึ้นและสําเร็จลุ่งลงไปด้วยดีฉะนั้นกระบวนการในการถวายกรถินแก่ญาติโยมและแก่พร ะ, พระสงฆ์ของญาติโยมนี้นะ หัวใจจึงอยู่ที่ความสามัคคีและสาระสาคัญที่จะทําให้พระสงฆ์สามัคคีก็อยู่ที่บรรยากาศการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยพระสงฆ์ต้องอยู่ร่วมกันแบบฉันพี่ฉันน้องจึงจะสมัครสมานสามัคคีกันได้พออยู่กันแบบฉันพี่ฉันน้องก็เข้าหลักประชาธิปไตยหลักที่หนึ่งคือมีพระราดรภาพแล้วพอ ญ, ญาติโยมเอาผ้ากรถินมาน้อมถวายสงฆ์ทั้งพวงมีสิทธิ์รับผ้ากรถิ่นเสมอภาคกันทั้งหมดไม่เจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง หลักประชาธิปไตยข้อที่สองก็ามาแล้วนั่นก็คือสงทั้งปวงมีความเสมอภาคมีความเสมอภาคที่จะรับภ่ากระถินใครก็ได้รูปใดก็ได้ทุกท่านมีความเสมอภาคมีสิทธิ์เท่ากันที่จะรับภ่ากระถินทีนี้พอรับภากระถินปับ๊บออกพรรษาแล้วเนี่ยพระสงฆ์สามารถเดินทางได้ได้รับอานิสงส์ตั้งห้าประการเช่นบอกไปที่ไหนโดยไม่ต้องบอกลาก็ได้ไปกิจรทุระ ไม่จําเป็นต้องเอาพระไตรจีวรไปครบสําหรับก็ได้ฉันร่วมกันเป็นวงกับหมู่คณะก็ได้อ น, นิี้สงกรถินน่ยก็ขยายออกไปเป็นสี่เดือนพระสงฆ์แสวงหาผ้ามาทำจีวรต่อได้อีกตั้งสี่เดือนแล้วพระสงฆ์ก็มีเสรีภาพในการที่จะเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานโน้นละแปดเดือนเข้าพรรษาสามเดือนซึ่งเป็นหน้าฝนจึงกลับมาจำพรรษาอีกครั้งหนึ่งก็เรียกว่ามีเสรีภาพเห็นไหมว่าหลักราาประชาธิปไตยครบหมดเลยในกระบวนการ ถวายกรถิ่นแก่พระสงฆ์ตัวนี้ครั้งหนึ่งหนึ่งการที่พระสงฆ์อยู่ร่วมกันชั้นที่ชั้นน้องก็คือพระราดรภาพและการที่พระสงฆ์ทุกรูปจำพรรษาท่วนไตรมากนั้นเท่ากับว่าท่านได้ทําหน้าที่ของท่านนี่ประการที่สองคือได้ทําหน้าที่ประการที่สามพอทําหน้าที่ท่านก็มีสิทธิ์รับกรถินมีสิทธิ์ในการรับกรถิ่นนั้นไม่ใช่รูปใดรูปหนึ่งมีสิทธิ์ทุกรูปมีสิทธิ์หมดก็เรียกว่ามีความเสมอภาค พอรับกระถินเสร็จแล้วมีเสรีที่จะเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วทั้งโลกก็มีเสรีภาพไปไปมามากลายเป็นว่าคําสาคัญสาคัญที่ถือเป็นหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ในพิธีกรรมทอดกระถินทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือรูปแบบประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งมีอยู่ในสังคกรรมของคณะสงฆ์ที่นับเรื่องด้วยการถวายผ้ากถิน เราทั้งหลายอาจจะไม่เคยสังเกตอาจจะไม่เคยรู้จักความหมายของกระถินหัวใจของกระถินในมิติที่ว่าหัวใจของกระถินคือความสมัครคีหัวใจของกระถินก็คือการอยู่ร่วมกันในบรรยากาศแบบประชาธิปไตยถ้าพระสงฆ์ทั้งปวงก็ดีพุทธบริษัทญาโยมก็ดีสมัรสมาสมัครคีอยู่ร่วมกันฉันที่ชนน้องนั้นแหละบรรยากาศประชาธิปไตยก็เกิดขึ้น ทำไมพระพุทธองค์ทรงปรารถนาเหลือเกินที่จะให้สงและพุทธบริษัทยาดยอมอยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานสามัคคีโดยทรงคิดวิธีถวายผ้ากระถิ่นขึ้นมาให้เป็นตัวเชื่อมเพื่อให้พระและโยมมีกิจกรรมร่วมกันเหตุที่ทรงให้ความสําคัญกับความสามัคคีก็เพราะสุขาสังคัสะสามัคคีความสามัคคีคือวิธีที่จะทําให้หมู่คณะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะถ้าแตกสามัคคีเมื่อไหร่ ก็วุ่นวายกันเมื่อนั้นจะเล่าให้ฟังว่าถ้าแตกสามัคคีเมื่อไหร่วุ่นวายยังไงในสมัยพุทธกาลมีวัดวัดหนึ่งเป็นพระอารามที่มีพระภิกษุจำพรรษาจำนวนมากว่ากันเรียกว่าหลายร้อยรูปเลยทีเดียวทีนี้ในอารามนั้นก็มีพระนักปราช์มันพระนักปราช์นะพระนักปราช์ที่อยู่ด้วยกันพระนักปราช์รูปนึง เป็นประธานคณะสงฆ์มีบริวารห้าร้อยรูปเก่งมากในเรื่องพระวินยัยพระนักปราชญ์รูปหนึ่งมีบริวารห้าร้อยรูปเก่งมากในเรื่องของพระธรรมวันหนึ่งพระที่เป็นหัวหน้าคณะทางธรรมะไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเนี่ยก็ตักน้ำตักน้ำราดลงไปในห้องน้ำเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเหลือน้ำไว้ครึ่งขัน นะไม่ได้รัานให้หมดหมดนะเหลื อ, อน้ําไม่ครึ่งขันถือว่าผิดพระวินยัยพระพุทธเจ้าทรงระบุเอาไวชา้ชัดว่าพระพิสูจเวลารั่นน้าต้องรั่นให้หมดขันนะั้นทิ้งไม่ครึ่งขันเดีด๋ยวตัวสัตว์มาเกิดในนั้นนะสัตว์มาเกิดในนั้นแล้วก็ใครมาทําอะไรกับน้ําในขันนั้นเนี่ยคุณโยมทําให้สัตว์ตายเนี่ผิดวินัยนะดูสิว่าพระพุทธองค์ของเรานั้นทรงละเมิดละไมขนาดไหนนะห้ามฆ่าสัตว์แต่ชีวิตนะแม้แต่ทิ้งน้ําไม้ครึ่งขันเดีด๋ยวยุงลายมาไข่เนี่ยนะถ้าท นะฮะทำธุระเสร็จแล้วท่านก็ราดน้ำลงไปทิ้งน้ำไว้ครึ่งขันกลับออกไปพระที่เป็นหัวหน้าพระฝ่ายวินันเรียกว่าพระวิในทรมาเข้าห้องน้ำเอ๊ะใครเนี่ยเหลือน้ำไว้ครึ่งขันก็ไปตามหาจนรู้ว่าอ๋อพระหัวหน้าคณะฝ่ายธรรมะนี่เองแหมพวกนี้รู้แต่ธรรมะแต่ไม่รักษาวินันเอาเรื่องนี้นะฮะไปเล่าไปลือเล่าลือมากๆทีนี้ก็พวกที่ถือหางก็ไม่ชอบใจ ก็เลยเกิดการเลือกข้างขึ้นมาสองฝ่ายนะแต่ไม่ได้ใช้มือตบและไม่ได้ใช้เท้าตบนะคุณโมนะเกิดการเลือกข้างขึ้นมาทีเดียวเป็นสองฝ่ายหนึ่งฝ่ายพระวินัยก็เอาไปโพลทนานว่าหัวหน้าพระสงฆ์ฝ่ายธรรมะเนี่ยนะรู้แต่ธรรมะแต่ไม่รักษาวินยัยลูกศิษย์พระสงฆ์ผู้ทรงธรรมะก็บอกว่าแหมพระภิกษุที่ทรงวินัยนี่ก็จ้องแต่จะจับผิดอิจฉาฉันละเสร เอาละสิทีนี้ต่างคนต่างก็มีเล้วร้อนะฮะไปไปมามาเลยแยกวงกันอยู่อยู่วัดเดียวกันแต่แยกวงกันไม่สมัครสมานสมัคคีกันแล้วทีนี้ต่างคนต่างอยู่แล้วก็ต่างคนต่างก็เล่าลือกันลือกันไปลือกันมาเข้าหน้ากันไม่ติดอยู่กันในหนึ่งวัดแต่สองแยกเป็นสองฝ่ายแยกกันหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าไม่ทําวัดร่วมกันไม่สวดมนร่วมกันไม่ทําสังฆกรรมร่วมกัน บรรยากาศที่สงแตกสามคัคคีเล่าลือไปถึงภายนอกผลเสียคืออะไรญาติโยมมาวัดแล้วไม่สบายใจที่พระแตกสามคัคคีทีนี้ญาติโยมก็ฉลาดมากเห็นว่าพระแตกสามคัคคีกันส่งคนนั้นมาห้ามส่งคนนี้มาประสานส่งคนกลางมาพูดคุยจัดงานสารเสวนาก็ไม่มีใครมาร่วมเอาแล้วสิเป็นยังไงญาติโยมก็เลยคิดว่าเอาเถอะเมื่ออยากแตกสามคัคคีกันนะักเดี๋ยวเราต้องมีบทเรียน ก็มีคนนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุธอง์เสด็จมานะคุณโยมนะแสดงว่าบรรยากาศการเรียกร้องหาคนกลางมีมาตั้งแต่สมัยโน้นแล้วนะคุณโยมนะก็มีการส่งสารไปกราบทูนพระพุธองให้เสด็จมาว่าบัดนี้สงที่วัดแห่งนี้แตกสามัคคีกันเหลือเกินพระพุธอง์เสด็จมาแล้วแสดงธรรมพิเศษเรื่องอานิสงส์ของความสามัคคีคุณโยมเชื่อไหมพระพุทธเจ้าเสด็จมาเองนะ สงสองฝ่ายที่แตกสามขีก็ยังไม่เห็นแก่พระพุทธเจ้าส่งตัวแทนเข้าไปกราบบังคมทูลต่อพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคโปรดลดบทบาทของพระองค์อยู่เงียบๆเถิดพระพุทธเจ้าค่าพวกมอมฉันทั้งปวงจะหาวิธีบริหารจัดการกันด้วยตัวเอง โอ้โหพอส่งตัวแทนไปพูดกับพระพุทธองค์อย่างนี้นะคนยอมนะพระพุทธองค์ก็คงเห็นแล้วว่าเหลือบ่ากว่าแรงเมืองเหนือเราเรียกคนที่ไม่ฟังแมก้กระทั่งพระพุทธเจ้าว่าคนเหลือกรรมนะคนเหลือกรรมคือมันดื้อจนฟังใครไม่ได้อ่ะหน่าดินแห่งทิฏฐิมันแข็งรดน้ําลงไปนี่มันซึมไม่ถึงรากไม้แล้ว ในเมื่อดื้อดึงกันขนาดนี้ทิศทินาะตันหาเยอะเหมือนกำแพงเมืองจีนอย่างนี้นะพระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าเอาถ้างั้นก็แล้วแต่ละกันพระพุทธองค์หนีเข้าป่าไปจําพรรษาในป่าในพรรษานั้นไม่มีใครติดตามพระพุทธองค์ไปเพราะอะไรทะเลาะกันมันกว่ากันเยอะเลยทิ้งพระพุทธเจ้าเลยนะแตกเป็นสองฝักแตกเป็นสองฝ่ายทะเลาะกัน ไม่มีใครดูดำดูดีพระพุทธองค์ไม่มีใครนำพาคำแนะนำพร่มสอนของพระพุทธองค์สุดท้ายพระพุทธองค์ก็ทรงพิจารณาแล้วเห็นว่าสถาน ก, การณ์แต่ความสามัคคีในหมู่สงฆ์ขนาดนี้นั้นเกินกว่าที่จะเยียวยาเสียแล้วแม้แต่เราตถาคตซึ่งเป็นศาสดาของสงฆ์ยังไม่สามารถยังส่งให้ประณีประนอมรอมชอมกันได้ถ้าเช่นนั้นก็ต่างคนต่างอยู่จึงทรงหลีกไปจําพรรษาในป่า พรรษานั้นเองเนื่องจากคณะสงฆ์มัวแต่ทะเลาะเบาแหวงกันไม่มีใครดูแลพระพุทธองค์ก็จึงมีลิงกับช้างแสนรู้นะมาดูแลพระองค์ลิงก็ไปหาอาหารในป่าเรียกว่าไปหาของป่าเช่นน้ำผึ้งกล้วยป่ามาถวายช้างเนี่ยตามคำเภีร์ว่ากันถึงขนาดว่าต้มน้ำถวายพระพุทธองค์นะ ฉลาดมากนะช้างแต่ไม่นู่ะก่อไฟนะก่อไฟเก็บผักหักฟืนต้มน้ําให้พระพุทธองค์สงพรรษานั้นทั้งพรรษาพระพุทธองค์อยู่ในป่ากับช้างและลิงต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาสู่เมืองไทยมีการสร้างพระปางขึ้นมาปางหนึ่งศิลปินก็เลยปั้นรูปพระพุทธองค์ประทับบนพุทธอาฏแล้วก็มีช้างกับลิงปลนได้บัตรอยู่ใกล้ๆ เราเรียกพระปางนั้นว่าพระปางปาริไลยต่อมากลายเป็นชื่อวัดวัดหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีคือวัดป่าเลไลยเห็นด้วยอย่างว่าถ้าพระสงฆ์แต่สามัคคีกันคนสําคัญอย่างพระพุทธเจ้ายังไม่มีใครดูแลเป็นเรื่องน่าเศร้าที่สุดที่ตกเป็นภาระของลิงกับช้างถ้าไม่ได้ลิงกับช้างมาปลนในบัติพัฒวีพันศานั้นนะพระพุทธองค์จะอยู่อย่างไร ดูสิว่ามนุษย์ของเรานี้พอแตกสามคัคคีทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังพากันทิ้งไปได้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ที่ในเมืองไทยของเราพอแตกสามคัคคีเราก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างพ่อพูดก็ไม่ฟังองค์ขมูลทีพูดก็ไม่ฟังปัญญาชนพูดก็ไม่ฟังแพทย์พูดก็ไม่ฟังนักปราราชบัณฑิตพูดก็ไม่ฟัง พระเทศก็ถูกไล่กลับวัดให้ไปอ่านพระไตรปิฎกตกลงไม่มีใครฟังใครแล้วในเมืองไทยในตอนนี้นี้คือการแตกสามคัคคีบ้านเมืองที่แตกสามคัคคีใครไม่ตีก็แตกแต่บ้านเมืองที่สมัครสมานสามคัคคีตอให้ใครยกมาตีก็ไม่มีทางแตกแตกสามัคคีกันอย่างนี้พอญาติโยมมาวัดไม่ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าเลยตลอดพรรษานั้น ญาติโยมก็รู้สึกว่าแหมพวกเรานะปกติพอมาวัดก็ได้เฝ้าชมพุท ธ, ธาบารมีได้ฟังเทศได้ฟังธรรมจากพระบรมครูของโลกแต่พรรษานี้พระพุทธองค์เนี่ยปลีกไปจำพรรษาเสียในป่าทําให้พวกเราไม่ได้เฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธองค์พลาดโอกาสอันดีที่สุดไปแล้วในชีวิตแลใครเป็นต้นเหตุละเนี่ยญาติโยมก็มาประชุมกันตกลงสอบสวนทวนความก็ได้ข่าวว่าที่พระพุทธองค์ไม่จำพรรษาในพระอารามเพราะ ทรงเบื่อทรงระอากับพระที่แตกสามัคคีกันจึงทรงปลีกพระองค์ไปอยู่เงียบๆเสือนในป่าญาติโยมก็เลยซาวเสียงเรียกว่าสำรวจประชามติว่าเราจะหาวิธีลงโทษพระสงฆ์ที่แตกสามัคคีกันอย่างไรในที่สุดหามาตรการได้อย่างหนึ่งเรียกว่ามาตรการคว่ำบาตรพระปกติพระไปบินทบาตรพระต้องไงบาทใช่ไหม ญาติโ ย, ยมก็เอาเข้าวปลาอาหารไปตักบาตรญาติโ ย, ยมบอกว่าแตกสามขีดจนพระพุทธเจ้าหนีเข้าป่าอย่างนี้เราต้องให้บทเรียนที่ดีกับพระกลุ่มนี้ด้วยการคว่ำบาตรวันรุ่งขึ้นพระเดินไปเบียนท่าบาตรเป็นทิวเป็นแถวนะอุ้มบาตรเปลา่าออกจากวัดไปอย่างไงกลับมานะบาตรเปลา่ากลับมาอย่างนั้นสมัยโน้นมันไม่มีมามา่าขับเสด้วยนะเลยอดอยากปากหมอง คำพีว่ากันว่าพระสงฆ์ทุกรูปในวันนั้นพอออกพรรษาปุ๊บผอมกันทุกรูปทุกองค์นะนั่งอยู่เดินอยู่ในเห็นเส้นเอ็นปูดปนกันทั้งนั้นญติโยมก็บอกว่าเป็นยังไงล่ะแตกสามัคคีดีนะให้มันรู้กันสมั่งว่าใครเป็นใครพระสงฆ์ทั้งปวงออกพรรษามาได้ด้วยอาการที่เรียกว่าเกือบตายทั้งวัดนะวิกฤตเข้ายากหมากแพงคราวนั้นเนี่ยเลยได้เรียนรู้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เลยนะ ว่ามันหนักหนาสหัดขนาดไหนต้องทำอาหารขบฉันด้วยตัวเองกินกันพอประทังความหิวเรียกว่าวิกฤตคราวนั้นพระสงฆ์กลุ่มนั้นเดือดเนื้อร้อนใจกันไปทั้งวัดสงทั้งปวงเมื่อญาติโยมหากันความบาดก็เลยพากันได้สติขึ้นมาว่าถ้าขืนพวกเรายังแตกสามัคคีกันต่อไปอย่างนี้เห็นทีจะไม่อดตลอดพรรษาละนะอดทั้งปีทั้งชาติแน่นอน หัวหน้าของสงฆ์สองฝ่ายก็เลยหันมาสถาณฉันกันตกลงกันว่าถ้าเราแตกสามัคคีอย่างนี้เห็นทีจะอดตายกันตลอดชาติถ้าเช่นนั้นเรามาเซ็นสัญญาก็เลยเกิดการเซ็นสัญญาความร่วมมือที่เรียกกันว่าเป็นต้นแบบของการสารเสวนาลดความขัดแย้งด้วยการเจรจาเป็นที่มาของการแก้ปัญหาด้วยปัญญา ไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยทิฏฐิและมานะที่เราหันมารอมชอมกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีทิฏฐิคือมีความเชื่อว่าฉันถูกพอมีความเชื่อว่าฉันถูกมานะก็ตามมานั่นก็คือเรื่องอะไรฉันจะต้องขอโทษเรื่องอะไรฉันจะต้องประนีประนอมเรื่องอะไรฉันจะต้องรอมชอมเรื่องอะไรฉันจะต้องสามัคคีทิฏฐิมานะนี่เป็นกาแพงของความสามัคคีชนกลุ่มใดก็ตามมีทิฏฐิมาก มีมาณะเข้มข้นชนกลุ่มนั้นจะแตกความสามัคคีเมื่อสองฆ์เนี่ยได้รับบทเรียนจากการคว่ำบาตของพุทธบริษัทยอดเยยมจึงหันหน้ามาเจราจา r อมชอมกลับมาสมัรสมานสามัคคีกันแล้วส่งทูตไปอาราธนาพระพุทธองค์ถึงในป่าบอกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัด น, นี้สงฆ์ทั้งปวงได้รับบทเรียนแล้วว่าการแตกสามัคคีกันนั้น ทำให้อดอยากปากหมองพุทธบริษัทญาิโยมก็ไม่บำรุงพวกหม่อมฉันสำนึกผิดแล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพระพุทธองค์เสด็จกลับพระอารามเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์พอทรงเห็นแล้วว่าสงกลับมาสามัคคีกันก็เสด็จพุทธดำเนินกลับวัดพอพระพุทธองค์เสด็จดำเนินกลับวัดเท่านั้นเองพุทธบริษัททั้งหลายเฮกันมาตักบาตรมืดฟ้ามัวดินตั้งแต่นั้นมาพอสงสมัครสมานสามัคคีนะ ก็ได้กินอิ่มนอนอุ่นกันทุกรูปทุกองเห็นไหมเพราะแตกสามัคคีนี่นะเป็นยังไงลาบสการะก็หายพุทธบริษัทยาดยอมก็หายพระพุทธองค์ก็หายแตกสามัคคีอย่างเดียวเสียหายเป็นร้อยอย่างตั้งแต่นั้นมาพระสงฆ์ทั้งปวงก็เลยสมัครสมานสามัคคีกันนี่คือบทเรียนว่าถ้าแตกสามัคคีของดีๆที่มีอยู่แตกตามไปทั้งหมด ถ้าไม่แตกสามคัคคีของดีๆก็จะไหลมาเทมาเห็นไหมพอสมัครสมานสามัคม ค, คีพระพุ้ดงกลับวัดญาติโยมกลับมาลาบสการะกลับมาก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขพอแตกสามคัคคีพระพุ้ดงก็หนีไปญาติโยมก็หนีไปเข้าปลาอาหารก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดความสามัคคีจึงเป็นวิธีที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของหมู่คณะ ขณะเดียวกันการแตกสามคัคคีก็เป็นวิธีที่จะอยู่กันอย่างไม่ผาสุก ข, ของหมู่คณะเช่นเดียวกันในหมู่สงฆ์พอแตกสามคัคคีก็มีความเดือดร้อนถึงเพียงนี้ในหมู่พุทธบริษัทญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อไร่ที่แตกความสมัครสมานสามัคคีเมื่อ น, นั้นก็มีแต่ความเดือดร้อนอธรรมภาพจะขอยกตัวอย่างในฝ่ายพุทธบริษัทญาติโยมบ้างเอาตัวอย่างที่โบราณสักนิดหนึ่งก่อนนะ ในครั้งพุทธกาลนั้นเมื่อก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับกันทัพปรินิพานมีเมืองเมืองหนึ่งซึ่งมีเดชานุภาพแข็งแร่งขึ้นมามากก็คือเมืองมคตหรือแคว้นมคตปกครองโดยพระเจ้าอาชาสตรูพระเจ้าอาชาสตรูนั้นมีความปรารถนาจะรวบรวมแคว้นวัตชีมาเป็นเบืองขึ้นแต่พยายามแล้วพยายามเล่าเนี่ยก็ตีไม่แตกเพราะชาววัชีสามัคคีกันดีเหลือเกิน ชาวไวจีนั้นปกครองกันด้วยระบอบสามัคคีธรรมอันนี้น่าคิดนะคุณยอมนะการเมืองการปกครองในสมัยโบราณมีหลายระบอบหนึ่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชคือพระราชาเป็นผู้ถืออำนาจเพียงหนึ่งเดียวในประเทศชาติบ้านเมือง น, นั้นสองปกครองในระบอบสามัคคีธรรมทุกสิ่งทุกอย่างตัดสินกันที่สภาสามัคคีธรรมนี้แหละคือต้นแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยตั้งแต่สมัยโบราณ แคนวัจจีปกครองกันแบบสามัคคีธรรมหรือแบบราาประชาธิปไตยจึงเป็นเหตุให้ใครก็ตีไม่แตกหลังพุทธะปรินิพานพระเจ้าอาชาติสตรู ค, คิดยุทธศาสตร์ขึ้นมาได้อย่างหนึ่งเรียกว่ายุทธศาสตร์แผนเจ็บตัววันหนึ่งทำทีเป็นเรียกประชุมมุขมนตรีเสนาอำมาตย์ทั้งหมดทั้งปวงแล้วก็เสน อ, อยติขึ้นมาเรื่องหนึ่งในที่ประชุม มหมาหมัดคนหนึ่งคือวัศการพรามถูกวางตัวให้เป็นผู้ที่คัดค้านมาติที่ประชุมและพระเจ้าอาชาติสตรูทรงสั่งลงทันแล้วเคียนด้วยไหวในประเทศออกจากบ้านจากเมืองวัศการพรามถูกเคี่ยนจนหลังลายถูกกลอนผมจนหัวล้นระหกระเหินเตลเตยออกจากแคว้นมกรดไปไปไหนไปแคว้นใกล้ๆบ้านคือวัชชีพอก็ไปถึงปุ๊บ ก็ไปแถลงข่าวว่าอาชาติสตรูมีแนวคิดจะยกทัพมาตีแขวนวัชีของพวกท่านแต่ข้านี่แหละเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยเพราะอยากให้เราอยู่ร่วมกันอย่างบ้านพี่บัองน้องมากกว่าพอข้าลุกขึ้นคัดค้านในรัฐสภาเท่านั้นเองข้าจึงถูกสั่งลงทันท่านดูเอาเถิดว่าข้าถูกเคียนหลังลายมาขนาดนี้นี่แหละคือหลักฐานที่พระเจ้าอาชาติศตรูทรงถอดคนอย่างข้า ออกจากการเป็นเสนาอัมมาศของแคว้นมคตรเรียบร้อยแล้วโอ้โหประชาชนพนลลเมืองตลอดจนถึงเสนาอมมาศชาววัตชีเชื่อฟังคําของวัศการพรามนําเรื่องนี้ไปกราบทูลให้เจ้านายในกลุ่มวัตชีทราบทีนี้พอชนชั้นนําของแคว้นวัตชีนะ่ยได้ทราบเรื่องนี้เรียกวัศการเข้าเฝ้าสอบถามความจริง ก็เห็นหลักฐานว่าวัศการพรามนั้นถูกเคี่ยนถูกตีจนหลังแตกมาจริงๆเสียดายผู้นำแคว้นวัชีเกิดความเสียดายว่าโอ้โหนี่นักปราบราชบัณฑิตแต่ทําไมจึงถูกกระทําถึงเพียงนี้เอาอย่างนี้เกิดแล้วกันพ่อพรามในเมื่อทางฝั่งโน้นก็ไม่เลี้ยงท่านแล้วท่านก็มาอยู่สัฝั่งนี้ทางวัชีจะตั้งให้ท่านเป็นราชครูของราชกุมารทั้งหลายท่านไม่ต้องไปไหนนะ ท่านมาอยู่เสบ้านเมืองเรานี่แหละจากนี้เป็นต้นไปให้ท่านทำหน้าที่เป็นราชครูเรียกว่าเข้าทางของพระเจ้าอาชาสตรูแผนเจ็บตัวกําลังสำแดงผลของมันอย่างแยบยลที่สุดวัสการพรามทนเจ็บตัวนิดหน่อยแต่ผลที่ลอยตามมานั้นเรียกว่าคุ้มสุดที่จะคุ้มเพราะอะไรพอได้บรรจุหน้าที่การงานเป็นราชครูของแขวนวัชีปับ๊บจากนั้น แผนยุแย่งแต่แข่งรั่วก็เกิดขึ้นด้วยความที่เป็นราชกุมารก็เริ่มใส่ไฟให้กับเยาวกุมารองค์นั้นองค์นี้นะใส่ไฟทีละนิดใส่ไฟทีละน่อยหาว่าราชกุมารองค์นี้ไม่พักดีต่อสถาบันบ้างราชกุมารองค์นี้กําลังสะสมกําลังบ้างราชกุมารองค์นี้กําลังสมคบคิดกับต่างประเทศบ้างราชกุมารองนี้กาลังจะขายชาติบ้างก็แล้วแต่จะหาข้อหามาว่ากัน ยุกันไปยุกันมาพอได้ปีเสร็จเสรนะคุณเดิมปรากฏว่าราชกุมารชาวแคว้นวัจจิแตกสามัคคีเป็นเสี่ยงเสียงไม่มีใครไว้ใจใครเพราะแตกสามัคคีกันเป็นเสีย่ยงเสียงอย่างนี้ไม่มีใครไว้ใจใครอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงวัศการพราหมณ์เขียนจดหมายแอบส่งจดหมายไปทางแคว้นมคธว่าบักนี้สถานการณ์ทางวัตถีสุกงอมเต็มที่แล้วละ่ะ เชิญท่านญาติตราทับมาได้เลยพระเจ้าอาชาติสตรูพอรู้อย่างนี้ปั๊บญาติตราทับมาพอทัพของพระเจ้าอาชาติสตร์มาประชิดแขวนวัตถีเท่านั้นเองสายข่าวแจ้งเข้ามาในเมืองพระราชามหากษัตริย์นัดประชุมกันที่รัฐสภาซึ่งสมัยโบราณเรียกว่าสันถาคามประชุมกันมายังไม่ครบองค์ประชุมเลยขนาดข้าศึกมาประชิดอยู่หน้าประตูเมืองนะคุณโยมนะ สมาชิกรัฐสภาของชาววัตชียังประชุมกันไม่ครบองค์ประชุมโดดประชุมกันเห็นเห็นไม่มีใครฟังใครในที่สุดก็เลยไม่มีคนนำทัพขาดแม่ทัพในกองเมื่อขาดแม่ทัพในกองไม่มีใครนำทัพออกไปป้องกันบ้านเมืองพระเจ้าอังชาสตูก็ตีแขวนวัตชีแตกได้อย่างง่ายดายภายในเวลาไม่กี่วันในที่สุดชาวเมืองวัชีตั้งแต่เจ้าลงมาจนถึงไพ กลายเป็นฆ่าทาาบริวารของกองทัพแห่งพระเจ้าเจาสตรูทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของแคว้นวัชีก็ปิดฉากลงอย่างน่าเศร้าที่สุดแคว้นวัชีนั้นเคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองที่สุดถึงขนาดพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าถ้าอยากเห็นเทวดาให้ไปแคว้นวัชีเพราะแคว้นวัชีผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวย ถ้าอยากดูความเจริญรุ่งเรืองของเสื้อผ้าแพร่พันธุ์ก็ให้พากันไปช็อปปิ้งที่แควนวัตชีอตาตมาคิดว่าวัตชีในสมัยโน้นมันน่าจะเหมือนพวกฝรั่งเศสนะหรืออิตาลีคือผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยใช่ไหมเป็นเมืองแห่งแฟชั่นเป็นเมืองแห่งความรุ่งโรจน์เป็นเมืองแห่งอารยธรรมพระพุทธองค์ทรงยกย่องแขวนวัตชีเอาไว้ถึงขนาดว่าไม่ต้องไปสวรรค์ ถ้าอยากชมชาวสวรรค์ให้พากันไปเที่ยวที่แควนวัดฉีแต่ในที่สุดเมืองฟ้าอามอนแห่งนั้นก็ล่มสลายลงมาเพราะแตกสามัคคีกันในที่สุดทั้งเจ้าทั้งไพร่กลายเป็นข้าช่วงใช้ของชาวมคธทั้งหมดทั้งสิ้นเห็นหรื อ, อยังว่าบ้านเมืองที่แตกสามัคคีเพราะใครมาตีก็แตกบ้านเมืองที่ไม่แตกสามัคคี ต่อให้ใครยกมาตีก็ไม่มีทางแตกมันเป็นเช่นนี้เองนั่นเป็นตัวอย่างซึ่งว่ากันเป็นสองพันกว่าปีเอาขยับเข้ามาใกล้อีกนิดหนึ่งเอาในเมืองไทยของเรานี้แหละนะแต่ญาติโยมสบายใจได้นะอัตมาภาพไม่แวะการเมืองหรอกนะเอาห่างๆก็แล้วกันในสมัยกรุงศรีอยุธยาของเรานี้เองท่านทั้งหลายก่อนที่เราจะเสียกรุงครั้งที่สอง ขณะนั้นเป็นรัชการของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกฏพระเจ้าอยู่หัวบรมกฏนั้นทรงมีพระโอรสสองพระองค์พระโอรสองค์โตหรือพระเชษฐาธิราชคือเจ้าฟ้าเอกทัศน์พระโอรสองค์เล็กหรือพระอนุชาธิราชคือเจ้าฟ้าอุทุมพรก่อนที่พระเจ้าอยู่หัวบรมกฏจะสิ้นพระชนม์พระองค์ทรงพิจารณาเห็นแล้วว่าในบรรดาโอรสสององค์นี้เจ้าฟ้าเอกทัศน์ อ่อนแอเหลือเกินขืนให้เป็นกษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์ต่อนี้อยุทยาจะล่มได้พ่อก็เลยไม่แต่งตั้งพระเชษฐาทิราชหรือโอรสองค์ตัวให้เป็นกษัตริย์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตได้ประกาศสถาปนาให้เจ้าฟ้าอุทุมพรซึ่งเป็นน้องขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุทยาคุณยมเชื่อไหมพอพ่อสิ้นเท่านั้นเอง พระอนุชาธิราชได้ขึ้นสเสวยราชเป็นพระมหากรรษัตริย์พระองค์ใหม่ของอยุทยาศีรามเทพนครเมืองแห่งอารยธรรมเมืองแห่งความรุ่งโรจน์หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาให้เป็นมหาอาณาจักรแล้วเนี่ยเราร่มเย็นเป็นสุกกันมาเกือบสองร้อยปีนะร้อยเจ็ดสิบสี่ปีร่มเย็นเป็นสุก ข, ขนาดนี้ พอร่มเย็นเป็นสุขขนาด น, นี้เราก็เลยติดสบายพอสบายมากๆ ก, ก็ไม่เตรียมกองทัพเอาไว้รบทับจับศึกและนั่นเป็นเหตุให้เกิด ค, ความอ่อนแอภายในสังเกตให้ดีนะบ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากเกินไปคนสบายมากเกินไปความอ่อนแอภายในก็เกิดขึ้นฉะนั้นความสบายมีอันตรายอยู่ในตัวนะสบายมากเกินไปก็จะวางใจเมื่อนั้น พอวังใจวันหนึ่งจะต้องเสียใจพระนางกรศิยุธยาโรคเย็นเป็นสุขมากว่าเกือบสองร้อยปีเพราเปลี่ยนสกรารใหม่ได้พระมหากษัตริย์ใหม่คือพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรพระองค์สเสวย ร, ราชได้เพียงหนึ่งเดือนจูจูพระเชษฐาธิราชคือเจ้าฟ้าเอกทัศตซึ่งพอเจ้าน้องขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ท่านก็แสดงสัปริดทางการเมืองหนีออกไปพนันนวดเป็นพระสงฆ์ เพราะถ้าไม่ปนวดเนี่ยจะทําให้น้องบริหารราชการแผ่นดินลําบากปนวดอยู่ได้สักเดือนหนึ่งพระองค์ก็รู้สึกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะบันลังนี่แต่เดิมมันเป็นของฉันนะแต่เจ้าพ่อเนี่ยไม่ยุติธรรมยกบันลังให้น้องชายถ้าเราปรนวดอยู่ต่อไปเราก็คงเป็นได้แค่หลวงตารูปหนึ่งอะไม่มีอนาคตละอยากอยนั้นเลยลาสิกขามันเลยนะพระภิกพิสูจเอกทัพทนไม่ไหวพระหลวงร้อนก็ลาสิกขา ลาศึกษาเสร็จแล้วกลับเข้าวังกลับเข้าวังแล้วไปอยู่ไหนเป็นทิศศึกใหม่ขึ้นไปประทับอยู่บนพระที่นั่งซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชาแล้วจากนั้นไม่สนละใครจะว่ายังไงฉันจะอยู่ตรงนี้ก็คือไปประทับในพระบรมมหาราชวังทั้งๆ ท, ที่ตัวเองไม่ได้เป็นกษัตริย์นั่งอยู่ตรงนั้นน้องชายบริหารราชการแผ่นดินก็ไม่สบายใจว่าเราวันนี้เป็นกษัตริย์ แต่บัด น, นี้เจ้าพี่ทรงลาพระพันดวดออกมาสเสด็จขึ้นประทับอยู่บนพระที่นั่งเจ้าพี่ก็อยู่ตรงนั้นแล้วเราก็เป็นกษัตริย์อยู่อย่างนี้บริหารลำบากมากยากนั้นเลยเราเวนคืนราชสมบัติให้เจ้าพี่จะดีกว่าก็เลยยกราชสมบัติถวายเจ้าพี่ทิศศึกใหม่คือเจ้าฟ้าเอกทั์ก็เลยได้เป็นพระมหากษัตริย์ขึ้นมาโดยง่ายใดเพราะอะไร เพราะน้องชายถอดใจซะดือ้อเวนคืนถด้จะสมบัติให้เจ้าพี่เสร็จแล้วพระองค์ก็ไปประนวดบ้างเพราะปนวดเสร็จแล้วเนี่ยประชาชนเขาก็เล่าก็ลือกันว่าแหมกษัตริย์พระองค์ใหม่ของเรานี่เสวยราชแด่เดือนเดียวก็ถอดใจซะแล้วพอถอดใจปุ๊บก็บไปบวชออกจากวังก็เข้าวัดประชาชนพลเมืองจึงเรียกขานพระองค์ท่านว่าเป็นขุนหลวงหาวัดเห็นไห้ยัง ออกจากวังเข้าวัดเขาจึอเรียกว่าขุนหลวงหาวัดและเจ้าพี่หรือพระเชษฐาธิราชคืออดีตเจ้าฟ้าเอกทัศน์นั้นเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ก็ได้เฉลิมพระนามเป็นพระมหากษัตริย์พระสุริยอาทมรินเพราะขึ้นไปประทับบนพระที่นั่งสุริยอาทมรินก็เลยมีพระนามว่าเป็นพระสุริยอาทมรินไปด้วยเสวยราชอยู่ไม่นานเนื่องจากพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่เชี่ยวชาญในการยุทธระหว่างนั้นเอง พระเจ้าอาลองพญาประศัตริย์พมา่าได้รับบัญชาจากพระเจ้ากรุงของสวสดีให้มาตีเมืองสองสามเมืองแถวนั้นตีไปตีมาปรากฏว่าก็ชนะเมืองชายขอบของพมา่าได้เป็นเมืองขึ้นทั้งหมดเจ้าอาลองพญาก็บอกว่าแหมไหนๆก็มาประชิดอสีอยุธยาแล้วเนะไหนๆก็มาประชิดใกล้กันขนาดนี้ละส่งสายรับไปดูหน่อยว่ากรุงเสียยุทยาเปลี่ยนกษัตริย์ใหม่เป็นยังไงสายลับกลับมารายงานว่า กาาษัตริย์ใหม่นะ่ะนะบุคลิกนุ่มนิ่มอ่อนพวกเปียกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราแวะไปตีนี่มีโอกาสชนะนะพระพุทธเจ้าค่ะอลพลมยาก็เลยวางยุทธศาสตร์ยกไปตีกรุงศรียุธยาไปตีแบบสำรวจดูนะถ้าชนะก็เป็นโชคถ้าไม่ชนะก็ไม่เป็นไรถือว่าให้ทหารได้ออกกำลังส่งกองทัพมาตีปรากฏว่าเนื่องจากในหลวงพระองค์ใหม่นั้น ไม่เป็นการยุดแค่เขาลองมาทําท่าจะตีเท่านั้นแพ้ราบคาบส่งทัพไหนไปก็แพ้ส่งทัพไหนไปก็แพ้ชาวบ้านมารจันทร์ทนไม่ไหวก็ตั้งเป็นเครือข่ายพันธมิตรขึ้นมาละทีนี้รวบรวมคนนั้นรวบรวมคนนี้ตั้งกันขึ้นมาตั้งชื่อว่าชาวบ้านบางรจันใช้จับร่วมสมัยก็เรียกว่าเป็นเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในนามชาวบ้านบางรจันนี่ ตั้งกันขึ้นมาก็มีผู้นำเท่าที่ธรรมภาพนึกชื่อได้ก็สี่ห้าคนเช่นในจันหนวดเขี้ยวในทองแสงใหญ่ขุนสันพันเรืองไอ้มันก็สี่ห้าคนเป๊ะเหมือนกันนะนะคุณเดิมนะนี่แหละสี่ห้าคนนี้ก็เป็นหัวหน้าคณะพันธมิตรในนามชาวบ้านบางระจรันเพื่อการปกป้องพระนครสีอายุทยาใช้ปรัชญาในการกู้ชาติเหมือนเดียวกันกับทุกวันนี้นะแล้วก็ตั้ง กำแพงขอบครูประตูออรบเหมือนกับเป็นเมืองเมืองหนึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของอยุธยาศรีรามเทพนครยันศึกพมา่าเอาไว้ได้เกือบปีนะคนุณผบนะเฉพาะกลุ่มชาวบ้านพันธมิตรบางระจันนี้ยันกองทัพของอัลลองพยาได้เกือบปียันมากเข้ามาเข้าปรากฏว่าสเสบียงไม่พอทหารชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายไม่มีช้างไม่มีม้าขี่เข้าไปรบทัพจับศึกเอาควายมาขี่ แล้วควายนี่ไม่ได้ถูกออกแบบให้ทำสงครามนะควายนี่ถูกออกแบบมาให้ทำไรไถนานะควายวิ่งเข้าสงครามก็ขิดมันหมดนะคล้วขดทั้งเราขิดทั้งเขาพุงใส่ไม่เหลือทนะหารเราทหารเขาเนี่ยก็เรียกว่าบาดเจ็บล้มตายกันระเนรนะนัดตัวแทนชาวบ้านบางระจันส่งสารเข้าไปถึงรัฐบาลกลางในขณะนั้นว่าขอเบิกปืนใหญ่ขอเบิกปืนใหญ่ ทางฝ่ายพระนครก็คิดกันแล้วว่าถ้าอนุมัติปืนใหญ่ไปให้ชาวบ้านบราจรจันเอาไปตั้งป้อมค่ายยิงกองทัพของพมา่าเกิดว่าชาวบ้าน บ, ร า, รบรารจันแตกทัพพม่ายึดได้พมา่าก็จะเอาปืนใหญ่นั้นมายิงสีอยุธยามายิงพระนครเหมือนกันคณะรัฐมนตรีของกรุงสีอยุธยาพิจารณาแล้วว่าไม่ให้ปืนใหญ่เพราะเขืนให้ไปเนี่ยเดี๋ยวดาบนั้นเขืนสนอง กลัวจะคุมไม่ได้ก็เลยมีมติไม่อนุมัติงบประมาณไม่ปล่อยปืนใหญ่ให้มาใช้ในกองทัพนั่นเป็นเหตุให้ฟังเส้นสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาซึ่งพอจะยังมีอยู่แตกเป็นเสียเส่ยงๆจากการญาตราทัพเข้าตีสุดท้ายพอทัพหน้าแตกเป็นเสียเส่ยงๆกองทัพประมา ก, ก็ตรูกันเข้ามาครั้งนั้นพระเจ้าลองพระยาคุมทัพมาประชิดพระนครตั้งกองทัพยิงปืนใหญ่เข้าใส่พระนครศรีอยุธยา พระแสงปืนแตกพระองค์เสด็จถอนทัพสิ้นพระชนในระหว่างทางแต่พม่าเห็นว่ากรำศึกมาขนาดนี้ใกล้จะได้ชัยชนะอยู่แล้วส่งแม่ทัพคนใหม่มาลุยต่อระหว่างนั้นเองคนดีสียุทธยาคือพระเจ้าตากสินขณะนั้นยังเป็นเจ้าตากมาราชการในพระนครสียุธยาเห็นแล้วว่าเรามาติดอยู่ในเมืองนี้ก็นานนักหนาคิดการอ่านแผนดูแล้วเนี่ยคืนอยู่อย่างนี้ ทั้งเราทั้งเจ้าก็จะตายไปด้วยกันเพราะไม่มีใครมีความรู้ความสามารถพอที่จะไปต่อรบกับกรุงหงสาวสดีคราวนี้ได้ mm hmm. เจ้าตาก mm hmm. ก็ได้รวบรวมสหาย mm hmm. ซึ่งเป็นผู้ชํานาญการรบตีฝ่าวงล้อมออกไปไปตั้งทัพใหญ่อยู่ทิศตะวันออกระหว่างนั้นเองกรุงศรีอยุธยาก็หมดสิ้นแล้วซึ่งคนดี ชาวบ้านชาวเมืองแตกความสามัคคีหนีเอาตัวรอดแตกแยกๆผ้าจะเจตัวใครตัวมันใครหนีทันก็รอดใครหนีไม่ทันก็ถูกกองทัพป harma คมเหงรังแกเอาตามแตกอำเภอน้ําใจจะทําได้เชื่อไหมว่าพ harma ม, มาตีไม่ใช่ครั้งเดียวครั้งแรกที่ยกทัพมาตีพระเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นคือพระเจ้าเอกทัพทรงสารเป็นให้มนพระน้องชายให้ลาสิกขามาช่วยรบ พระพิสูจน์ถุมพรเห็นแก่พี่ชายก็ลาสิกขามาช่วยรบครั้งที่หนึ่งยันทับพมา่าได้พมา่ากลับไปหายไปสองสามเดือนท่านก็กลับไปบวชอีกสองสามเดือนพมา่าตั้งทับได้ใหม่ยกมาตีอีกพี่ชายก็บอกน้องมาช่วยพี่รบน้องชายก็ลาสิกขามาเป็นแม่ทับรบพรบไล่พม่ากลับไปอีกยันทับพมา่าได้สองสามครั้งทุกครั้งที่รบชนะคะเนนเสียงของน้องชายดีวันดีคืนนะ พี่ชายซึ่งเป็นกษัตริย์ก็คิดว่าเอไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าให้เขามาช่วยงานเราแต่ว่าทุกครั้งที่รบชนะชาวบ้านชาวเมืองก็คิดว่าเขาเป็นกษัตริย์แต่มองไม่เห็นหัวเราซึ่งเป็นกษัตริย์ตัวจริงเป็นรัฐบาลแต่บริหารไม่ได้นี่มันลําบากใจนะคิดอย่างนี้ก็เลยแสดงท่าทีว่าไม่ชอบอกไม่ชอบใจที่น้องชายลาสิขาออกมาช่วยรบและผลงานเด่นเกินหนะ้าครั้งที่สามพอศึกพมาก่ามาประชิด ก็ไปเชิญพระ น, น้องชายให้ออกมาช่วยรบน้องชายออกมาช่วยรบแล้วชนะเหมือนเดิมทีนี้ยังอยู่ในวังหลายเวลาเพื่อดูท่าทีพี่ชายปรากฏว่าพี่ชายไม่ปล่มพี่ชายพยายามแสดงให้เห็นว่าศึกเสร็จแล้วก็กลับไปบวชเส้นทีสิพ่อคุณแสดงให้เห็นอย่างนี้นะในที่สุดเจ้าฟ้าอุทุมพรน้อยอกน้อยใจมากกลับไปบวชอีกครั้งนี้เป็นครั้งที่สามสึกมาสามครั้งเพื่อมารบพรม่าชนะทุกครั้ง ทุกครั้งที่ชนะพี่ชายไม่ปลืม้มกลับไปบวชทุกครั้งครั้งที่สี่หลังทัพอรองพระยาพม่าญาติราทัพใหญ่มาในเวลานั้นชาวบ้านบางระจันก็แตกแล้วพระเจ้าตากก็หนีแล้วไม่มีใครเป็นแม่ทัพในกองปืนใหญ่ก็ยิงไม่ได้เดี๋ยวสนมสันกำนันในตกอกตกใจผู้นำในสมัยนั้นเรียกว่าขาดทั้งความรู้ในทางสงคราม ขาดทั้งความรู้ในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองขาดทั้งวิสัยทัศน์ขาดทุกสิ่งทุกอย่างในระหว่างที่บ้านเมืองรอวันเวลาที่จะแตกสาลายนั้นเองพุทธบริษัทยาโ ย, ยมทั้งหลายพระภิกษุอุทุมพร อ, อุ้มบาดไปบินทบาทในพระนครสีอยุทยาชาวบ้านชาวเมืองมองไม่เห็นว่าใครจะเป็นที่พึ่งได้ถึงมีกษัตริย์แต่ก็ไม่ชํานาญในการรบรอวันที่พระนครจะแตกเป็นเสียเส่ยงๆอยู่ไม่รู้ วันไหนในระหว่างที่พระภิสูจทุมพรสเสด็จดำเนินบินทบาทในเมืองนั้นเองชาวบ้านชาวเมืองเขียนจดหมายสนเทศอันเล็กๆแบบนี้นตักบาทท่านเขียนจดหมายไปตักบาทว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคะถ้าหากพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่ลาสิกขาไปเป็นแม่ทัพคราวนี้เห็นทีกรุงเสีอยุธยาจะแตกเป็นแม่นมั่นลาศิกขาเถิดเจ้าคะ่ะพระภิสูจทุมพรนั้น เมื่อได้รับจดหมายน้อยหรือจดหมายสนเทศกลับมาแล้วท่านก็อ่านดูแต่ท่านก็มาพิจารณาว่าทุกครั้งที่เราลาสศีขาไปช่วยรบถึงแม้จะรบชนะใช่ว่าพี่ชายจะปลืมอย่ากระนั้นเลยครั้งนี้ใครอยากเป็นกษัตริย์นักก็ต่อรบกับพาม่าเอาเองก็แล้วกันแต่สา ม, มีขีเป็นสิ่งเสี่ยงอย่างนี้น้องชายอยู่ในวัดพี่ชายอยู่ในวังพอพม่าม า, มา เมืองก็แตกโดยอัตโนมัติชนิดที่ว่ากองทัพพมา่านั้นแทบไม่เสียเลือดเสียเนื้อเพราะอะไรทันทีที่ยกธงพมา่าขึ้นมาชาวสีอยุทธยาก็หนีแย่ๆยยผ้าจ่าแจะ แ, จแตกเป็นเสียเส่ยงๆในที่สุดพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตทรงหลีภยัยหนีไปสิ้นพระชนอยู่ในพระนครสี่ยุทธยาอย่างน่าอาเนจอนาักเป็นที่สุดบ้านเมืองถูกเผาทําลายแตกไม่มีชิ้นดีต่อมาเมื่อสุนทรภู่ครูกวีของเราไปเยี่ยม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลที่สามที่สี่เห็นสภาพปรักหักพังของกรุงศรีอยุธยาแล้วเศร้าสลดจนน้ำตาไหลสุนทรผู้ครูกรวีพันานาเป็นกวีนิพนเอาไว้ว่ากำแพงป้อมขอบคูก็ดูลึกไม่น่าอายขุนศึกเข้ามาได้ยังปล่อยให้ข้ามข้าวเอาเวียงชัยโอ้กระไรเหมือนบุรีไม่มีชายคิดดูแล้วกันว่าสุนทรผู้เจ็บปวดกนาดาไหน และความหมายระหว่างบรรทัดของเกวีนิพนบทนี้เจ็บแสบขนาดไหนท่านลองคิดดูนะกำแพงป้อมขอบคูก็ดูลึกไม่น่าอ้ายขุนศึกเข้ามาได้ยังปล่อยให้ข้ามข้าวเอาเวียงชัยโอ้กระไรเหมือนบุรีไม่มีชายบ้านเมืองที่แตกสมัครคีต่อให้ใครไม่ยกมาตีก็รอวันแตกอยู่แล้วแต่ถ้าบ้านเมืองบ้านเมืองที่สมัครสมานสมัคคีนั้น ยกมาเตะกี่ทีกี่ีก็ไม่มีทางแตกเพราะฉะนั้นความสมัครสมานสามัคคีนั้นจึงเป็นที่มาของความอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขสันติภาพสันติสุขจะเกิดขึ้นถ้าเราสมัครสมานสามัคคีกันสันติภาพสันติสุขจารตระทานหายไปหากคนในประเทศชาติบ้านเมืองนั้นแตกสามัคคีกันฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงมองเห็นความสาคัญของความสมัครสมานสามัคคีเช่นนี้ จึงทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พุทธบริษัทญาติโยมและพระสงฆ์มีกิจกรรมร่วมกันด้วยการทำบุญทอดกะถินหัวใจของกะถินจึงอยู่ที่ทรงมีพุทธประสงค์ให้ชาวบ้านและชาววัดสมัครสมานสามัคคีกันเหมือนที่กวีนิพน์กล่าวไว้วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยวัดช่วยบ้านบ้านช่วยวัดผัดกันไป ถ้าขัดกันก็บันไลทั้งสองทางฉะนั้นอาจาภาพก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราท่านทั้งหลายมาทําบุญทอดกรถินสามัคคีในครั้งนี้แล้วเมื่อเข้าใจปรัชญาของกรถินจากนี้เป็นต้นไปเราจะทําบุญใหญ่ด้วยความสมัครสมานสามัคคีและหากเราทําบุญใหญ่ด้วยความสมัครสมานสามัคคีเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราก็บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการทอดกรถินทันทีทันใด